วันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาของพระเนนทั้งหมดขอบเขตของพรรษาที่นี้กํากหนดเอากําหนดเขตนอกที่กําหนดเป็นวัดแล้วนั่นนะเป็นเขตได้นะไม่เอาแต่เพียงกําแพงนะเอาเอานอกเขตนอกที่ซื้อใหม่เป็นเขตเรียบร้อยแล้วก็ทราบด้วยกันทุกคนนี่คือเข้าพรรษา นี้เลื่อนเฉตจากกำแพงเดิมนี้ออกไปเฉตนอกให้พการทราบตัวหน้ากันเพราในเป็นเฉตของวัดโดยสมบูรณ์แล้วว่าการตั้งเขตจำปัญหาจกีงสมบูรณ์ไปด้วยกันนี้เวลาจำปรรหาเช่นนี้นั้นเป็นเวลาที่ไม่เคลื่อนไหวไปมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใด เป็นเวลาที่เราจะประกอบความภาคความเพียรเต็มกําลังความสามารถของเราอย่าคิดสายคิดแส่ไอเรื่องราวต่างๆตลอดถึงหมู่เพื่อนก็เหมือนกันจะมีจํานวนมากน้อยอย่าไปคิดเกี่ยวกับเพื่อนกับฝูงมันจะสร้างสัญญาอารมณ์ขึ้นมาเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วเรื่องมันจะเกิดขึ้นภายในใจ ให้เข้าใจว่าเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จะไม่เกิดจากที่ไหนสาหรับผู้ภาวนาแล้วจะรู้ความกระเพื่อมของใจออกไปจากใจนี้ทั้งนั้นคิดดีคิดชั่วอะไรยิ่งเกี่ยวกับเพื่อนฝูงที่มีจำนวนมากเพียงไรแล้วนั่นแหละจิตจะกระเพื่อมออกไปองนั้นไม่ดีองนี้ดีองนั่นเป็นอย่างนั้นองนี้เป็นอย่างนี้นี่คือ สัญญาสังขารของเรานั่นแหละตัวขันเนี้ที่มีสมุทรไทยคือกิเลสเป็นเจ้าอำนาจอยู่ภายในเพราะฉะนั้นคิดปรุงประอะไรจรึงเป็นกิเลส ท, ทั้งนั้นเพราะขันห้านี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเรียกว่าสมุทรไทยจึงต้องให้ดูจิตเจ้าของด้วยดีตลอดเวลาอย่าไปเป็นสัญญาอารมณ์กับใคร ใครจะดีจะชั่วผู้นี้เป็นผู้ปรุงออกไปจะดีชั่วอยู่กับผู้นี้เป็นอันดับแรกแหละคนนั่นจะรู้ตัวก็ตามมาลู่ตัวก็ตามเราผู้คิดผู้ปรุงว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีนี่คือสังขารของเราสัญญามันไปหมายสังขารไปปรุงไปแต่งคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวก็ก็ลืมว่าตัวเป็นอย่างไร ถึงต้องไปดิดไปดิ้นหาคิดเรื่องราวของคนอื่นคนใดยิ่งกว่าคิดถึงเรื่องเจ้าของให้สงกับว่าเรามาประกอบความภาคเพียนดูความเคลื่อนไหวของใจนี่แหละเรียกว่าการประกอบความเพียนใจเป็นผู้คิดผู้ปรุงความคิดความปรุงนี่ออกจากขันท่าขันทานี้มีมีกิเลสอวิชชา มันเป็นเจ้าอํานาจบงการออกมาเพราะฉะนั้นขันใดแสดงออกมาจึงมักเป็นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะกิเลสเป็นผู้บังคับออกมาแว้นแต่จิตของพระอรหันต์ท่านเป็นขันรวล้ว น, วนจะทําให้เกิดกิเลสจากขันใดขันหนึ่งไม่มีทางอืชิดเรื่องใดชิดแล้วดับไปสัญญาจํำในแล้วดับไปตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรก็ผ่านไปดับไปเพราะไม่มีผู้เป็นเจ้าของยึด ให้เป็นอุปท า, านเกิดกิเลสเพิ่มเติมเข้ามาอีกเรื่องขันจึงเป็นขันร่วนๆขันของบรหานเรียกว่าขันร่วนวนไม่มีกิเลสเข้าเจือปนเลยขันของปุถุชนนี้เป็นขันที่มีกิเลสเรียกว่าเป็นสมุทัยได้โดยกันทั้งนั้นนะ่ะถาเห็นทางตาก็เกิดกิเลสถ้ฟังทางหูเกิดกิเลสจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์อะไรเกิดกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆ เรียกว่าขันนี้เป็นสมุทัยเพราะสมุทยัยได้เกิกิเลสเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในขันคอยบ่งการขันนี่ให้คิดเรื่องนั้นปุงเรื่องนี้โดยอัตโนมัติของมันเราจะตั้งหน้าคิดไม่ตั้งหน้าคิดหลักธรรมชาติของกิเลสต้องเป็นกิเลสเสมอไปจะเพื่มอมาไปทางไหนเป็นกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นนี่ให้พากันวัตวังอันนี้ให้ลขออยู่กันเป็นผาสุ ให้ต่างคนต่างดูใจตัวเองอย่าไปดูผู้อื่นผู้ใดซึ่งเป็นเรื่องนอกแต่กลับมาเป็นภา ย, ภายในใจของตัวเองถ้าเราดูใจของเราโดยเฉพาะเขาไม่ดีเราไปปรุงว่าเขาไม่ดีนี่ให้ดูตัวนี้อย่าไปปรุงเขาไม่ดีของเขาก็พออยู่แล้วเรายังไปปรุงว่าเขาไม่ดีอีกเราก็เป็นคนไม่ดีอีกคนหนึ่งนั่นให้ย้อนกลับอย่างนี้การชาระ ที่เล่ต้องำํำระที่ใจของเรายาด่วนไปเห็นสิ่งใดว่าดีไม่ดีก่อนที่จิตใจที่ยังไม่ได้คิดตัวเองในเวลาที่ปรุงออกไปคือตัวนี้แหละเป็นตัวภัยเป็นตัวภัยต่อเราเองเราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้นไม่ดีไอ้ตัวที่คิดดื้อด้านออกไปปรุงไม่ดีนี่ไม่สิทธ์อันนี้หละมันเสียได้นะให้ดูตัวเอง คนไหนคนไหนยาไปหาเพ่งโทษเปียนกรใข่ไข่ทั้งนั้นให้เพง่งกิเลสที่อยู่กับใจตัวโทษอยู่กับใจของเรามันชิดเรื่องอะไรเป็นกิเลสขึ้นมาในขณะที่จิตมีกิเลสอยู่แล้วมันคอยจะจะเป็นกิเลสออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกกับผู้ใดสัตว์ตัวใดก็ตามมันจะเป็นกิเลสแสงออกไปทันทีก็มีสติบังคับบัญชาไว้โดยสม่าเสมอสมอีเรียกว่าการประกอบความเพียร ยาหนีจากหลักใจนะใจเป็นผู้คิดผู้ปรุงคอยดูคอยสอดส่องมองดูตลอดเวลาการประกอบความเพียนให้สังเกตการทำความเปลี่ยนของตนในอิยาบทใดที่เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามกว่าียาบทอื่นให้จับียาบทนั้นไว้ทั้งทั้งที่เรามีสติตั้งอยู่ด้วยกันนั่นแหละบางียาบท ดีกว่ากันก็มีนี่อย่างที่เราทั้งหลายทําอยู่เวลาดีการผ่อนอาหารเป็นยังไงอดอาหารเป็นยังไงต้องถือความเพียรเป็นพื้นฐานไม่ใช่ผ่อนเฉยๆอดเฉยๆการประกอบความเพียรไม่สนใจไม่ถูกเพราะการอดเหล่านี้เป็นอุปกรณ์แก่การประกอบความเพียรให้มีสติสตังดีปัญญาดีเนี่ยส่วนมากผู้ บำเพ็นเพียรมักจะถูกทางอดอาหารเพราะอาหารนี้เป็นเครื่องส่งเสริมที่เละมีราคะตันหาเป็นสำคัญอันนี้จะขึ้นก่อนเพื่อนพอ ร, ร่างกายมีกำลังวางชาจากการโบกการฉันมากเข้าเพียงไรแล้วสิ่งนี้จะแสดงออกมาออกมาก็ไปทับถมสติสตังนั่นแหละให้สติก็เออก็อะไรไป ไม่ค่อยดีสติไม่ค่อยดีควบคุมจิตใจไว้ไม่อยู่อันนแล้วก็ทําให้จิตใจฟุ้งซ่านลาคาญทําความเพียรไปแทงที่จะเกิดความสงบร่มเย็นมันก็ไม่สงบไปเสียมันวุ่นวายไปตามกระแสะของทิ่เหลือที่ผลักดันออกไปจนได้นั่นแหละนี่แหละการอดอาหารการผ่อนอาหารจึงสาคัญอยู่ที่ร่างกายนี่ที่มันมีกําลังส่วนมากผู้อดอาหาร มักดีเสมอเพราะมันเกี่ยวกับราคาตันหาซึ่งมาจากอาหารการกินการโขกการฉันนี่อันหนึง่งนะทีนี้เราเดินจงกรมมากเป็นยังไงแล้วนั่งมากเป็นยังไงนะให้สังเกตตัวเองแล้วนอนนอนนอนมากไม่ดีอยู่แล้วแหละแต่ท่านตั้งไว้ว่าเป็นเนสัตชี การอดนอนผู้ที่ถูกเจริตในการอดนอนอดไปเท่าไรก็ยิ่งแยบขายจิตสตางดีปัญญาดีจิตใจสงบดีนี่เรียกว่าทุดงข้อนี้ถูกแล้วกับเราไม่ใช่แต่ว่าธุดงแล้วก็จะคว้ามาเลยคว้ามาเลยไม่จะคิดอ่านใจจองไม่ได้นะธุดงท่านวางไว้เป็นกลางๆใครถูกกับข้อใดข้อใดให้ยืด แม้ที่สุดอียาบทก็ยังต้องสังเกตตัวเองนี่นี่อย่างนี้แหละ <c oughs> การทำความเพียรมันถึงจะก้าวหน้าถ้าทำตักจะว่าทำไปวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ไม่ค่อยได้ผลนะต้องใช้ความสังเก ต, ตอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่าความเพียรสำคัญที่อที่ว่าสตินี่แหละคือพื้นฐานแห่งความเพียรอยู่กับสติให้ท่านทั้งหลายจำไว้ไม่ว่าทำขั้นใด สติจะเป็นของจําเป็นทุกขั้นแห่งทำไปขั้นทีเล่ลอดลอดก็ต้องเอาสาติควบคุมอย่างหนักขั้นจริงมีความสงบสติก็เป็นพื้นฐานสงบมากเท่าไหร่สติเป็นพื้นฐานจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ยุปรสนาสาติสตังนี้เป็นพื้นฐานไปตลอดอละไม่ได้นะสติเป็นพื้นฐานดังที่ท่านแสดงไว้ว่าสาติสบัตถปฏียา สติจำต้องปราศจานาในที่ทั้งปวงคือไม่ว่าียาบทใดฟังแต่ว่าทั้งปวงครอบไว้หมดแล้วให้มีสติบังคับใจให้อยู่ในเวลาจิตใจที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสมีตั้งแต่ความผาดโผนโจนทะยานดี ด, ดิ้นออกไปทางกิเลสทั้งนั้นละนี่แหละเป็นความทุกข์สำหรับผู้ต่อสู้ต้านทานกับกิเลสประเภท น, นี้ต้องได้รับความทุกข์ทกก็ให้ทราบว่า สู้กับพิเลสอยาไปถือว่าเราทุกข์เฉยเฉยเราสู้กับพิเลสเพื่อจใจพิเรศระงับดับรู้จางลงไปนี่เป็นทุกข์ก็รู้กันแล้วว่าเหมือนนั่มวยต่อยกันนั่นเองอืมต่อยกันเพื่อเอาชัยชนะนี่แล้วก็เพื่อเอาชัยชนะกับพิเลสตัวมันพานโผล่โจรทะยานต้องบังคับจิตนะพิเลสเจ้าฝืนจิตตลอดเวลายิ่งมีมากเท่าไหร่ในใจของเราเนี่ยมัน เห็นความเพียรเป็นค่าศึกศัตรูนะมันไม่ได้เห็นเป็นมีดเป็นสหายเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายนะมันจะดิดจะดิ้นออกทางกิเลสหาปทางกิเลสโล่งโล่งที่โลงเพื่อเอาจมลงในโลกทั้งเป็นมันก็โลงและโล่งแบบนั้นตีบตันอั้นตู้สู้กับกิเลสนี่เป็นเรื่องของธรรมเอาตีบให้ตีบตันให้ตันทุกยอมรับว่าถุก ผู้ประกอบความเพียรต้องเอาให้เน็ตหนักแน่นนะไม่เช่นนั้นจะไปไม่รอด น, นะเวลานี้วงกรรมฐ า, านรู้สึกว่าครับแคบเข้ามาทุกทีทุกทีผมนี่อกอดพิ่ตกวิ่ตายไม่ได้นะแล้วยิ่งเวลานี้กิเลสมันมาแบบลึกลับมาเรื่อยเรื่อยเห็นไหมท่านท่างหลายเห็นไหมเรื่องหนังสือพิมพ์ก็รู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องกิเลส โดยประการทั้งปวง น, นี่ใครก็ทราบแล้วผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วจะไม่สนใจกับข่าวคราวของโรคเหล่านี้เลยเพราะเป็นข่าวของเรื่องของยิเลสตั้งแต่ไ่มีหนังสือพิมพ์ยิเลสมันก็ตีขึ้นมาภายในใจให้เป็นข่าวเป็นคราวขึ้นมาสดๆร้อนๆจนได้อยู่นั่นแหละจากนั้นมาก็มีวิทยุก็เป็นข่าวคราวของโลกทั้งนั้นนะเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ย ฟังนี่ขึ้นมาสองกษัตริย์แล้วน ะ, ะจากหนังสือพิมพ์แล้วก็มาวิทยุฟังข่าวนั้นข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องกิรลสกันหาเข้ากับความเพียรของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อทำไม่ได้เลยที่เก้าเข้ามาเก้าที่สามก็เทวทัต โ, โทรทัศน์นี่วิดีโอนี้เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวเป็นสื่อเป็นทางให้ดูให้ดื่ม ตามกลิ่นอันนี้ไปเรื่อยเรื่อยไปแลวเพราะมันจะแจ้งมากขึ้นส่งเสริมกิเลสได้ดีมากขึ้นเป็นลำดับลำดานี่เป็นกษัตริย์องค์ที่สามเนี่ยกษัตริย์วัตจักรนะนี่อพอโทรทัศน์วิดีโอขึ้นแล้วมันก็ต้องมองหาตนหาตัวหาเนื้อหาหนังหาตัวจริงของกิเลสแล้วทีนี้มันก็ส่แสวงไปตามที่ เทวราชวีดีโอชี้ทางบอกแล้วอันดับที่สี่นี่คือโทรศัพท์มือถืออันนี้คอขาดได้เลยพระเราสี่กษัตริย์มารวมอยู่กษัตริย์ที่สี่ที่เป็นโทษหนักมากทีเดียวเริ่มปั๊บเข้ามาในวัดก็เป็นเริ่มที่ว่าหาเรื่องหาราวสร้างเรื่องสร้างราวสร้างโรงงา น, โร ง, งานโรงกานยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่เรื่องกิเลสล้นล้นเข้ามาสูห่หัวใจตลอด หาความสงบไม่ได้นะถ้าลงได้มีโทรศัพท์โทรศัพท์กำหูจะกรจอกันอยู่เหมือนโลกทั่วไปดูไม่ได้นะพระเราอ่ถ้าลงมีโทรศัพท์มือถือแล้วเขียนใบาตายให้ก็ได้เลยไม่ต้องเขียนอย่างอื่นเลยเพราะโทรศัพท์มือถือท่านหลายเข้าใจไหมบทเด็ดขาดเป็นยังไงจับโทรศัพท์เข้ามาใส่หูฉะนั้นนัดกันไปที่ไหนก็ได้นี่นะเออเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องการมกิเลี อยู่ในบทนี้เป็นบทที่ตัดคอพระเราขาดสะบั้นไปเลยไม่มีหิริอัปะอย่ า, อามาถามอย่ า, อามาพูดกันเลยตัวนี้เป็นตัวสังหารขาดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ก้าวเข้ามาสู่มือของเรานะตัวนี้ร้ายแรงมากวัดนี้จะมีไม่ได้นะให้จําทุกคนใครดื้อด้านเอาเข้ามาให้หนีจากวัดทันทีจะามาเข้ามาวัดนี้ไม่ได้ เรื่องราวจะมีอะไรก็พูดติดต่อกับประชาชนญาติโยมเราจะถือสิ่งของนี้มาเป็นเจ้าของเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่จะสังหารศาสนาของเราและตัวของเราอย่างมากสุดยอดเลยอืโทรศรัพท์จะบปั๊บคุณนะนัดไปที่ไหนก็ได้เข้าห้องเข้าหาบเข้าที่รับที่แจ้งอะไรไม่ไม่สําคัญนะนัดกันได้พูดกันได้สบายระหว่างหญิงกับชายระหว่างผู้หญิงกับพระนะอันนี้ร้ายแรงมากที่สุดนี่เรียกว่า โทประหารชีวิตอยู่ในกษัตริย์จุดสุดท้ายนี้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมีไม่ได้เด็ดขาดฟังแต่ว่าเด็ดขาดใครดื้อด้านหามาแล้วขับไล่หนีจากวัดเลยนะนี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้ามีความจําเป็นให้ติดต่อเขาเขาก็ได้มีความจําเป็นจําเป็นมันก็มีกิเลสแทรกอยู่นั่นแหละแต่มันก็ก็จําเป็นที่จะได้พูดอยู่ข่าวข่าวเรื่องเล่าอะไรต่ออะไรอย่างนี้ยังพูดได้ แต่จะเอาเหล่านี้มาเป็นจเจ้าตัวการตัวงานเป็นโรงงานภายในวันนี้เรียกว่าเอาเพศาขาดมาสังหารพระทั้งวัดเลยจะไม่มีอะไรเหลือเลยถ้าเราได้จับโทรศัพท์ขึ้นมาเป็นเจ้าของแล้วเท่านั้นแหละหมดพระไม่มีเหลือเลยในวัดป่าบรรตาศักด้วยก็ร้างหมดทั้งวัดเลยเพราะนั้นจึงว่ามีไม่ได้นะให้ทุกท่านจําไว้ให้ดีนะผมได้เห็นในผู้ใดแล้วผมจะขับไล่ออกจากวัดทันที พูดคำนี้ไม่มีสองนะเพราะอันนี้เด็ดขาดมากทีเดียวทำมาไม่เด็ดขาดไม่ได้ต้องเอาอย่างเด็ดขาดใครจะมีมาไม่ได้วัดนี้เป็นวัดที่สร้างมาเพื่อเพื่อทำตั้งแต่ต้นเริ่มแรกมาจนกระทั่งปันนี้ด้พยายามทบหมู่กับเพื่อนการประพฤติปฏิบัติของหมู่เพื่อนผมรักผมสมควนอัรทำความภาคเขียนของหมู่เพื่อนมากที่สุด เราจนด้านงานการอะไรถ้าไม่จำเก็งจริงผมจึงไม่บรบกวนดังที่ท่านตั้งหลายเห็นแล้วบริเวณของพระไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลยเพื่อจะให้พระประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องยุ่งเหยิงกับอะไรทั้งนั้นแหละหตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติต่อหัวใจของตนเองซึ่งมีทั้งกิเลสและธรรมอยู่ภายในนั้นําระซักเฝ้าออกตลอดเวลาอย่านาสิ่งอันนี้เข้ามา เป็นเครื่องสังหารเพราะสิ่ง่านี้จยาบโลนมากที่สุดในสี่ประเภทนี้เข้ากับพระผู้ปฏิบัติธรรมเพื่ออาจเพื่อมาเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ได้เลยตั้งเริ่มมาตั้งแต่นังซื้อพิมพ์วิทยุเทวทัศน์วิดีโอโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถึงสี่กษัตริย์กษัตริย์ที่สี่นี้เป็นกษัตริย์ที่สังหารเรียกว่าไม่มีเหลือเลยลนะ ถ้าใครยังกล้าหาญใจนําเหล่านี้เข้ามาอยู่ไม่ควรจะมาอยู่ในวัดกรรมฐานให้หนักวัดหนักว่าให้รีบหนีออกไปเฉพาะวันนี้ให้ออกทันทีเลยเราจะไม่มีคําว่าอนุโลมไม่โลมเพราะได้พิจารณาเต็มสัดเต็มส่วนแล้วว่านี่คือมหาภายัยต่อพระผู้ปฏิบัติร้อยเปอร์เซนไม่เป็นอย่างอื่นใครจะนําเหล่านี้มาเป็นขา่าวเบนขาเพื่อหาเรื่องแ ก, กตัวอย่างนีน้ไม่ได้เด็ดขาดเรื่องก็มีแต่เรื่องที่เลอะ มันแทรกเข้ามาทุกด้านทุกทางยิ่งมาติดต่อมันด้วยโทรศัพท์นี่เข้าถึงขั้นสังหารตัวเองเลยเ็นพากันละมั่วระวงังมีไม่ได้นะวันนี้ให้จําไว้นะอืนี่เด็ดขาดมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่นึ่งคือพิมพ์โทรศัพอะไรนี่ก็มาโดยลําดับทีนี้มันก็คืบคลานเข้ามานี่โทรศัพท์มือถือครเคยชิดเมื่อไรแต่ก่อนไม่เคยคิดว่ามันจะมีแล้วมันก็มีขึ้นมาแล้วตั้งแต่ดูโลกเขาเขามีแล้วก็ดูไม่ได้แล้วนะ ไปมองไปที่ไหนเห็นจะโทรศัพท์มือถือจอกับหูอยู่ตลอดจอกับหูโอ้หนี่เป็นบ้าอย่างลึกซึ้งแล้วนะมันเป็นความเพลิดเพลินของกิเลสมันนวเนียกันไป ห, หมดแล้วก็ไม่ทราบจะตำหนิจีโทษกันยังไงก็เขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะก็ะไม่ถือสาแต่เมื่อมันอุจจารเกินก็ไม่นก็อดโกรธสองเรศเหมือนกันโอ้ที่นี่เป็นบ้าลึกซึ้งเข้าไปอีกนี่แหละกิเลสข้าคืบนคลานเข้ามาอย่างนี้ ให้เราให้รู้เนื้อรู้ตัวน่ะใครจะมากล้าหารฌานชายเอาเสด็จเข้ามาเผาวาดเผาว า, วานะผมก็มีชีวิตอยู่เวลานี้สอนหมู่สอนเพื่อนสอนมาแต่เ ม, ม็ดแต่หน่วยพระพุทธเจ้าตัดสรุรรมไม่ได้ตัดสรู้เพราะสิ่งเหล่านี้ปาดสิ่งเหล่านี้ออกหมดอเสด็จเข้าอยู่ในป่าในเขาลำนาวไพรเพื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ให้ขับไปยุ่งกลัวนั่นเองจะได้ประกอบความภาคเพียนด้วยความสะดวกสบายผลประปรากฏ สำเร็จประมาณตั้งแต่ซาโสดาซกขีทาคานาคาลาหันขึ้นมาเป็นลําดับลาดาพระาสดาองค์เอกก็ขึ้นจากในป่าในเขาภาษาวกทั้งหลายอยากจะพูดวรวนแล้วตั้งแต่ออกมาจากในป่าในเขาปราศจากสิ่งมหาภัยทั้งหลายนี้โดยประการทั้งปวงนับตั้งแต่ลูกขมูลเส้นนะสร้างขึ้นมาที่ท่านสอนในเบื้องตน้นขึ้นอันนี้ก่อนแล้ว ท่านปฏิบัติมาอย่างนั้นท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ทาเลิศเลยมาครองโลกท่านได้มาด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วนำมาสอนพวกเราก็ต้องดำเนินตามวิธีการนี้ถ้าต้องการมรรคผลนิพพานเป็นสมบัติของตนถ้าจะให้เป็นไปตามที่เล็จยามาอยู่ที่นี่ให้หนักวัดนะในวัดนี่ผมมี่หย่อนยานที่สุดแล้วกับเพื่อนฝูงเวลานี้นะเรียกว่าย่อนยานที่สุดทีเดียวผมทนเอา มันก็เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเข้ามานี่แหละเหตุที่ได้ลดหย่อนผ่อนผันบ้างแต่ถึงยังไงมันก็ขวางอยู่ในใจตลอดนั่นแหละให้ให้ทําชินกับกิเลสไม่จะมีชินออกมาแยบตรงไหนรู้ทันทีรู้ทันทีทีเดียวไม่มีคําว่าชินกันอืจะเป็นมิเป็นสหายกันอย่างนี้ไม่ได้ระหว่างกิเลสกับธรรมเพราะเป็นค่าสึกกันที่เราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบตัติเอาให้จริงให้จางความภาคเพียนตัดตะนิ่งห้หมด อย่ายุ่งนะยุ่งไม่ได้เด็ดขาดนะมันถ้ายุ่งอันนี้ก็เท่ากับเอาไฟเข้าไปเผา ห, หัวอกเราผูา้ประกอบความเพียรให้กลายเป็นกองเพลิงประําตามกันหมดนั่นแหละไม่มีสิ่งใดดีเลยถ้าปล่อยให้นเรานี้เป็นกิเลสทั้งนั้นเป็นไฟทั้งนั้นตั้งแต่นังซื้อพิมพ์วิทยุอืโทรทัศน์วิดีโอถึงโทรศัพท์มือมือถือเป็นลําดับลําดาบสีกษัตริย์วัตจักรที่จะสังหารหัวใจของพระกรรมฐานเราให้แหลกไป อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่แหละเรียกว่าไม่มีปัญหาขาดกะ บ, บั้นไปเลยถ้าใครไปยินดีกับสิ่งแล้วนี่แล้วต้องยินดีกระบัดครับทำปาฏานี้ออกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกําลังความสามารถตลอดไปในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่ออย่าให้สิ่งว่านี้มาชินกับใจได้นะต้องเอาให้หนักแน่นการปฏิบัติการประกอบความภาคเพียรขอให้ใจนี่มีความสมัครรักให้ในอดในรมความภาคความเพียรเอาหนุนกันไปจะทุกขนาดไหนเอาทุกเตะ คู่เพื่อสุขไม่เป็นไรให้เอาเน้นหนักลงอย่างนั้นนะแล้วอยากแบ่งสู้แบ่งรับทมนั้นลําบากทำนี่ลําบนข้ามวัดลําบากตรงไหนกิเลสห้ามทำไมให้ประกอบความภาคเพียรห้ามแ่หนักไม่ให้ม่ให้หนักมันให้เบาแล้วมันก็นหนักมือขึ้นมาคือกิเลสทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเกินกิเลสเรื่องแทรกซึมนี่เจงมากที่สุดเวลาจิตใจเลยเหนือแล้วมันเห็นหมดจะว่าไงผมไม่ได้คุยนะผมปฏิบัติมา ตลอดเวลาจนกระทั่งการเทศนาว่าการผู้จริงๆพอไมอ่เคยมีอะไรวันไหวสะโตกทานกับ3มแดนโลกกฐานนี้เลยตั้งแต่กีจได้ผ่านขึ้นมาแล้วเห็นแดนโลกฐานนี้เป็น เ, เป็นถังขยะไปเสียหมดมันเป็นของมันเองใช้ว่าไงลแล้วไม่ได้ตำหนินะธรรมชาตินั้นเหนือขนาดไหนมันจึงมา ถ้าพูดว่าสิ่งว่านี้เป็นถางขยะสมมติทั้งหมดเป็นถางขยะทำสัตว์โลกให้จมอยู่ในถังขยะเกิดเจะเกิดตายไม่อยู่ในขู่ในพวกนี้จะอยู่ในที่ไหนอยู่ในใต้ใต้ใต้วัดเนี่ยคือใต้โลกกาะถางนี่ออกจากนี้ไปแล้วไม่มีเนี่ยเพราะวจริงว่าถังขยะมันคูกเข้าไปด้วยความสุขความทุความเพลิดความเพลินความเศร้าโศกวุ่นวายขึ้นสวรรค์ลงนรกอยู่ในหัวใจคนนั้น ป่วนปั่นวุ่นวาอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่จะไม่เรียกว่าถังขยะอะไรมันหาที่ตายใจยได้ที่ไหนเวลานี้ยิ้มแย้มสักขณะเดียวเท่านั้นเองนะแยบเข้ามาเป็นฟืนไปเผาเข้ามาแล้วหน้าเศร้าเหมือนหน้าผีนั่นมันออกจากหัวใจเนี่ยกิเลส น, นะเนี่ยโลกทาดเป็นอย่างนี้เราได้ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังได้เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังการประกอบความเพียรเรื่องของผมเอง นั่นพูดให้ไครฟังไม่ไม่อยากมีใครเชื่อก็พูดแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อก็ตามเราได้ทำอย่างนั้นเราก็พูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยของเราที่ทำมาบางครั้งถึงจะเป็นจะตายจริ ง, รงเอาเป็นก็เป็นนั่นมันถึงขั้นจะตายแต่เราไม่เคยสลบนะการประกอบความภาคเพียรเนี่ยไม่เคยสลบผมก็บอกผมไม่เคยสลบแต่มันเฉียดเียดไปไม่เคยสลบถึงแม้ไม่สลบก็ตามถึงขั้นตายตายได้เลยนูนะ่น ข้ามความโรบไปถึงขั้นตายได้อย่างอาถรรพ์ฌาญไทยในเวลาประกอบความภาคเพียรเอาหนักเอาจริงๆไม่ใช่ธรรมดาตั้งแต่ที่ได้รับอว่าจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาอย่างถึงใจแล้วเท่านั้นแหละมันถึงจริงๆเรานิสยัยอันนี้มันเป็นนิสยัยพูดจากๆดูนะมันเด็ดจริงๆนะถ้าว่าอะไรถ้าได้ลงลงสุดยอดเลยถ้าไม่ลงไม่ลงยางไงก็ไม่ลงนั่น ถ้าได้ลงแล้วก็ลงสุดฉีดนี่ฟังธรรมบะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนี่ลงสุดฉีดเลยทีเดียวท่า mm hmm. งจะ่ท่านประกาศป้างขึ้นมาท่านมหาอะไรท่านท่านมหามรรคผลนิพพานหรือขึ้นจากนั้นเขาก็ไล่ไปเลยต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไม่ใช่มรรคผลนิพพานไม่ใช่กิเลสนั่นฟ้าถึงแดนโลกธาตุทั้งหมดในแดนโลกธาตุนี่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคผลนิพพาน กิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆมันอยู่ที่ใจของเรานั่นให้ท่านเน้นหนักลงตรงนี้เอากิตตภพนาเอาให้เน้นหนักตรงนี้ท่านจะเห็นทั้งกิเลสและเห็นทั้งธรรมนั่นแหละเพราะอยู่ในใจดวงเดียวกันเนี่ยท่านจะไปหาดูโน่นดูนี่ว่าจะมีกิเลสมีมรรคผลนิพพานคว้านําเหลวทั้งนั้นแหละเอาคว้าลงไปที่ใจนั่นฟังสิกิเลสอยู่ที่ใจนั่นธรรมะก็อยู่ที่ใจคว้าลงไปนี้จะเจอทั้งสองนั่นแหละะ ให้เอาลงตรงนี้เอาจติตตนะโบนาเอาให้แน่นหนักนะท่านจะไปถามหามงคลจัฬาฯท่านจะเปิดเผยขึ้นในตัวของท่านจากความเพียรที่หัวใจนั่นแหละว่างทิเลก็จะได้เห็นมันมีอยู่ทีใจของเราก็จะได้เห็นธรรมะก็จะได้เห็นเพราะจิตเป็นนักรู้สติปัญญามีมันจะกระต่างแจ้งไปหมดไนงะท่านฟาดลงอย่างถึงใจแม้ตัวสั่นไปเลยนะเวลาฟังท่านเทศนี้ รู้สึกว่าตัวมันลักษณะมันไม่สั่นจริงๆมันเป็นอยู่ภายในจิตเที่ยวก็ยิ้มยิ้มยอ่องย่างถึงใจถึงใจประหนึ่งว่าตัวสั่นไปนะพอฟังมาแล้วนี่ถึงใจเอาละที่นี่พอใจนั่นพอใจแล้วย้อนมาถามตัวเองที่นี่ไปฟังเทศหลวงพ่อแม่ครรการมั่นมาอย่างถึงพริกถึงถิงถึงใ จ, งใจงทุกถึงทุกอย่างหาสงสัยไม่ได้แล้วที่นี่เราเป็นยังไงเราจะจริงไหม นั่นถามตัวเองทางนี้ก็ขึ้นทันทีเลยต้องจริงไม่จริงให้ตายเท่านั้นนั่นเพราะได้ถึงเหตุถึงผลแล้วกับธรรมที่อาารสอนต้องทั้งนี้ต้องจริงเอาไม่จริงตายเท่านั้น่ะตั้งแต่บัด น, นั้นมาเรื่องความเพียร น, นี้เอาจริงเอาจริงมากนะผมเพนัการพูดเรื่องความภาคเพียรพูดให้ใครฟังผมยังไม่อยากพูดเพราะเขาไม่ได้ทําเหมือนเราเนี่ยเราทำจริงจริงก็คิดดูต่างท้องของผมนี่อดเข้ามาตั้งแต่พรรษาเจ็ดตั้งแต่ออกปฏิบัติเบื้องต้น เพราะมันภาวนาไปมันรู้สึกมันดีทางทางทางผ่อนอาหารอดอาหารนะนี่แหละเริ่มต้นตังขพานสาเกตเริ่มแล้วนัานๆทำท่างแบบไหนแบบไหนก็มีเพราะตอนนั้นกําลังธาตุขันหนุ่มน้อยอยู่ซะด้วยนะแข้งขึงขังตึงต่างที่เลือดคอยจะดีดขึ้นอย่างง่ายไายง่ายไายการฝึกทรมานกันจึงเป็นความลำบากมากดู่อย่างนี้ทำวิธีไหนวิธีไหน ขิ้ใจมันก็ไม่พ้นคือมันจะดีดดิ้นข้ามหัวเราไปข้ามหัวเราไปตามที่เหลยยจนได้นั่นแหละอันนี้พอฝึกแบบนั้นเราฝึกแบบนี้ก็มาถูกเรื่องประกอบความเพียรโดยทางอดอาหารนะนะพออดอาหารสติสตางค่อยดีขึ้นค่อยดีขึ้นอ้าวชอบคนชอบคนนั่นน้าจิตก็แน่นป่งแน่นผงเข้าไปเลยด้วยการอดอาหารทีนี้มันก็จับตัวนั้นหละ ทุกทำไมใครไม่ทุกใครก็รู้เหมือนกันการอดเคยกินไม่กินมันก็ต้องหิวหิวก็ต้องเป็นทุกข์ก็สิแต่ความสุขความเลิศเลยอยู่ว่าความหิวนี่มีน้ําหนักขนาดไหนนั่นมันก็ต้องทนอันนี้ก็ทนไปทนไปโอดอาหารไปเรื่อยอดอาหารไปเรื่อยจังไม่เท่าไหร่นักแหละตอนนั้นอดไปเรื่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆต่อไปเห็นว่าถูกตั้งแล้ววิธีนี้เอาหนักกระเบาก็ต้องเป็นวิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะได้มรดกได้ผลนั่น ทีนี้มันก็ทุ่มลงไปทีเพราะงั้นท้องผมยังเดืเสียมาตั้งแต่ปรากฏมันเสียพันสามสิบนะพอฉันลงไปนี่ท้องอืดหมดเลยอมาเคาะท้องหนูเยือดดำเสียงปึ่งปึ่งปึงปึงโอ้ผายลมก็ไม่ผายทายก็ไม่ทายหากเป็นอย่างนั้นก็รู้อะล้วโอตะหารมันก็รู้แต่มันไม่สนใจอืมโอจีวันก็ตาม ทำความเพียรนยิ่งดียิ่งดีอดไปหลายวันเท่าไหร่ร่างกายนีบอบช้า ม, มากอ่อนเพียมากแต่จิตใจมันสงบเย็นไปโดยลำดับมาคุณค่าของใจที่เรามุ่งหวังอย่างนี้แรงกล้านั้นมันปรากฏเด่นชัดแต่เรื่องคุณค่าของอาหารนี่เรากินมาตั ก, กวันเกิดก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรแน่มันมาเทียบกัน อ, อดนี่ละเรื่องเลามาลันนะผมก็ตั้งแต่นั้นมายิ่งหนักเข้าหนักเข้า เพราะฉะนั้นท้องถึงเสียเวลาไม่ฉันจีวันก็ตามหกวันเจ็ดวันไม่ฉันอ้าวท้องมันก็ไม่ถายมันอยู่อย่างนั้นน่ะเฉยไม่มีอะไรพอฉันลงไปแล้วนะวันนี้ฉันอย่างนั้นละพอตอนบ่ายนี่เสียงท้องนี่ร้องโกะเกะโกะเก ะ, กะพอค่าลงไปที่ทายออกหมดเลยไม่มีเห ล, ลือกลางคืนเป็นวันถ่ายท้องไม่เลยไม่ได้หลับได้นอนอหลังจากนั้นมาวันหลังอยู่ไปเลยเนี่ ฉันวันหนึ่งหรือถ้ามันเพียบมากจริงๆก็ซ้ําสักสองวันจากนั้นก็หยุดตลอดหยุดตลอดความเพียรก็ยิ่งเด่นยิ่งเด่นนี่แหละที่ท้องได้เสียเพราะเหตุนี้เราไม่สนใจกับท้องยิ่งกว่าอัธรรมที่เราต้องการมันมุ่งต่อต่อธรรมเรื่องท้องจะเป็นยังไงไม่สนใจจริงๆนะมันมุ่งตั้งแต่เรื่องอดเรื่องธรรมไปเรื่อยเรื่อยเื่อท้องก็เสียไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันพรรษาที่หกนี้เป็นเวลาเก้าปี ที่ที่อดกันเรื่อยไปตลอดก็ไม่นานนะเพียงเก้าปีอดอาหารท้องเสียไปเรื่อยๆหากไม่คำนึงกับมาณเรื่องท้องนอกจากผลที่ได้จากการอดอาหารจนกระทั่งถึงปัรษาสิบหกดังที่เรียนท่านทังหลายทราบแล้ววันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามเวลาห้าุ่มเป๋นนงนั่นแหละตัดสินกันลงได้ระหว่างที่เลสกับธรรมขาดสะบั้นลงไปจากใจ จิตสว่างจ้าขึ้นมาจนกระทั่งกายไหวไปหมดเลยอมืมันเป็นเองนะเรื่องกิเลสขาดสะบั้นจากใจใจสว่างจ้าขึ้นมาอย่างเราไม่เคยคาดเคยฝันเกิดมาแต่พ่อแต่แม่เราก็ไม่เคยเห็นเพราะพ่อแม่เราก็ไม่เคยปฏิบัติมาปฏิบัติแต่เราคนเดียวเวลามันเจอมันก็เจอขึ้นอย่างจัง ๆ, ๆไม่คาดไม่คิดจิตใจนี้สว่างจ้าขึ้นมาประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มนะมันรุนแรงมากนะจิตเวลามันขาดกันจากกิเลสแล้ว สว่างจ้าขึ้นมาโถอืมจนน้ำตาล่วงทันทีในขณะนั้นนะขึ้นทันทีเลยอย่างอุทานนะไม่จะโซรกรทานกับใครอยู่คนเดียวน่นนะอะขึ้นเหอะเหอขึ้นเลยนะเพราะฉนั้นภายในใจนะมนไม่ได้ออกการคำพูดนะเหอะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้อย่างนี้แหละหลืออย่างนี้แหละหลือนะี่ยมันย้ำแล้วย้ำเราให้ถึงใจที่กับธรรมชาติอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้แต่มาจ้าขึ้นเวลานั้น อจาจจะจันทร์เฮพระพุทธเจ้าตัสตรู้สัสรูอย่างนี้แหละเหลออย่างนี้แหละเหลือทำแท้เป็นอย่างนี้แหละเหลออย่างนี้และเหลอแล้วพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้แหละเหลออย่างนี้แหละเหลือขึ้นเลยอ๋อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเปลี่ยนหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไงนี่มันเป็นเหล่าแน่ น, นั่นเป็นเราธรรมชาติที่เราไม่เคยคาดเคยคิดการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงวันนั้นขนาดนั้นะพุทโทธธรรมโอสั ง, งโฆจะแยกตลอดจะแยกตลอดพุทโทธธรรมโอสังโฆพอธรรมชาติ ชัดแดงขึ้นเต็มเต็มเหนียวในวันนั้นแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอเดียวกันแล้วไม่มีไม่มีใครมาบอกก็หายสงสัยจันทีเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอเดียวกันได้ยังไงเป็นแลวานานนั่นอจ้าไม่ถามพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ตัดทะลุมาทั้งหลายมันจ้าเหมือนกับเ อ, เอามือจ่อลงน้ามหาสมุทรนี่นะน้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนเพียงมือจ่อนี่มันกับ ทั่วกันมาหาสมุทรนั่นหมดแล้วนั่นนี่พอมันจิตนี่พางขึ้นมานี่ก็เท่ากับมือจาะลงไปนั่นเองพางขึ้นมานี่ทั้นี้พระพุทธเจ้าสังหารมันเป็นอันเดียวกันแล้วกับธรรมชาตินี่ทำแท้ก็คืออันนี้นั่นที่นี่พระสงฆ์แท้คืออันนี้เป็นอันเดียวกันหมดนั่นจิตญาณนั่นเลยดับไปเลยขึ้นระจากใจเฮ้ยพระพุทธเจ้าพราะทำพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ได้อย่างไงในนั่นแหละทำแท้เป็นอย่างนั้น มันไม่ได้มีสองมีสามนะอันนี้เราใครคาดไม่ได้นะเป็นขึ้นแล้วมันจะรู้เองด้วยกันทุกคนเล่าที่มาเป็นนี้เราได้ถามใครเราไม่เคยคิดนะว่าจะมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้พุทโธธรรมโสมโคเป็นมาตั้งแต่ตั้งแต่ออกแล้วลูกลูกมาพุทโธธรรมสังโคด้วยมาจนกระทั่งปฏิบัติถึงขณะนั้นนะยังพุทโธธรรมสังโคติดหัวใจนิสัยสันดานตลอดมาไม่เคยคิดว่ามันจะมีการแยก ก, แยกันแยะหรือรวมกันยังไงบ้าง แต่เวลามันมาเป็นขึ้นเต็มเหนียวในขณะจิตนั้นแล้วอพอฟ้าดินถล่มนะปรากฏว่าแต่ฟ้าดินเขาไม่เป็นอะไรนะมันเป็นอยู่ที่กายกับใจอย่างนี้แหละจนกระทั่งตายนีิไหวผึ่งอะไรทันทีนะเ อ, อันนั้นมันจ้าขึ้นมาเลยนี่นั่นล่ะนี่ล่ะนี่ละ่ละองคศาสดาครอบโลกธาตุเป็นอันอย่างเดียวกันหมดนักเห็นไหมละ่ะทำแท้เป็นอย่างเดียวกันหมดสังสังสังโคแท้เป็นอย่างเดียวกันนี้เป็นมณ้มหาสมุทรอันเดียวกัน ว่างแค่ขนาดไหนก็เป็นมหาสมุทรทั้งนั้นนั่นแล้วมือจอลงไปปั๊บก็ถูกมหาสมุทรหมดทั้งมหาสมุทรนั่นเลยนี่พอมันพางไ ป, ไปนี้มันก็เป็นอันเดียวกันอย่างนั้นมันก็รู้ น, น่นสินั่นแหละตั้งตั้งแต่วันทั้งเนี้ยอดทหารมาจนกระทั่งถึงวันนั้นจากนั้นมาแล้วผมก็ไม่อดนะแต่เรื่องท้องนี่ถ่ายไปเรื่อยๆ เพราะมันเคยเป็นมาแล้วจนเลือรังแตนเราไม่สังสนใจกับมันเท่านั้นเองเท่านี้จึงมาสนใจที่จะปฏิบัติรักษามันท้องนะคืออาหารก็ไม่งดเหมือนแต่ก่อนไม่อดฉันธรรมดาธรรมดาตั้งแต่วันนั้นมาว่างั้นเถอะนะผมไม่เคยอดอาหารเพื่อความเพียรอะไรอีกเลยนะก็โอเพียรเพียรอะไรก็รู้กันแล้วมไม่มีอะไรเหลือแล้วหูสีแดงประมาจรียงังไม่ต้องถามใครมันก็รู้ขึ้นมา องไหนเป็นขึ้นมามันก็รู้แบบเดียวกันหมดนั่นแหละจะให้ว่างไงนี่เราสันทิติโกผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองจะไปถามใครพระผู้ทีเจ้าประกาศไว้กัางวันมานานททเท่าไหร่เนี่ยตั้งแต่บัดนั้นมาก็ไม่ไม่อดอาหารอีกแต่มันก็ถ่ายไปเรื่อยๆหกวันเจ็ดวันถ่ายจะทีหนึ่งหกวันเจ็ดวันถ่ายจะทีหนึห่งเรื่อยมาอย่างนี้นะมันไ ม, ม, นไม่มันไม่หายจนกระรั่งมันจะตายจริงๆนี่แที่ถูกย่ามอเตอร์เนี่แหละ น, นานขนาดไหน ถึงเวาลามันจะไปจริงๆมันจะไม่อยู่ก็เห็นชัดก็ท้องอันนี้เองหรือมันจะตายนั่นพอหายนี่แล้วก็เดี๋ยวนี้หายขาดเลยนะท้องอยากชนิ่นั่นไม่มีเลยเหมือนก็ปิดทิ้งเลยจะนะไม่มีเหลือจนกระทั่งแบบนี้ท้องจึงดีฉันอาหารก็ได้ธรมรมดาธรรมดาสภาพของคนแก่เป็นขนาดไหนได้กำลังวางชาก็มีตามสภาพของมันไม่มีอะไรขัดข้อง เลยนี่แหละฉันได้มาธรรมดาโรคกนั้นก็หายหมดทายท้องก็อาจมแข็งธรรมดานั่นเป็นปกติเรียบร้อยแล้วมาได้สองปีเต็มๆหรือจะเข้าสามปีก็ไม่ทราบแต่ถ้าให้เต็มยศจริงๆก็คือว่าสองปีเต็ ม, ตมไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งบัตรนี้แหละเนี่ยโรคท้องไป น, นีก็เพราะเรื่องโ อ, อาหารนะไม่ใช่เพราะอะไรถ้าหากว่าสนใจกับมันจนกว่าว่า ทานไปเต็มที่แล้วจึงได้กลับย้อนกลับมาบำรุงรักษากันมันก็ไม่ใช่เรื่องได้ยาวอนะไรนี่แหละการปฏิบัติธรรมธรรมพระพุทธเจ้าเป็นอาการดิโกขอให้ทุกๆ ท, ท่านทราบเอาไว้อาการดิโกคือไม่มีการสถานที่เวลาเวลามาตัดทอนได้เลยเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาครับกิเลสก็แบบเดียวกันกิเลสก็เป็นอาการดิโก้เสมอต้นเสมอปลายเรื่อยมาในหัวใจของสัตว์ของเรานี่แหละ เราแยบไปทางกิเลสมันก็เป็นกิเลสขึ้นมาเพราะมันอยู่ที่ใจของเราแยบไปมากไปน้อยมันก็สร้างผลขึ้นมาให้รับความทุกข์ความลบมาบากสร้างเหตุขึ้นมาให้เพลิดเพลินตามมันไปเรื่อยๆนี่คือกิเลสมันเกิดขึ้นจากหัวใจเราทีนี้เราว่าเราแยบเข้ามาทางธรรมธรรมก็เกิดสติธรรมก็เกิดปัญญาธรรมก็เกิดความภาคเพียรทุกด้านทุกอ่างเป็นอัตเป็นธรรมเกิดขึ้นที่ใจผิดขึ้นเรือดผลทางธรรมก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ เกิดขึ้นจากหัวใจดวงเดียวกันนี้แหละเวลาทำได้เกิดขึ้นมากๆแล้วก็มามองเห็นตัวิเคลืดซึ่งมันเกิดอยู่ในหัวใจเราแต่ก่อนไม่เห็นมันเกิดขึ้นอะไรก็ว่าเราว่าเราไปหมดความโรคก็เราความโกรธก็เราความหลงราคาตันหาว่าเราไปทั้งนั้นทั้งนั้นเวลาทำมีกําลังมากแล้วมันก็แยกของมันได้โดยหลดโดยอัตโนมัตินะมันก็ทราบอะไรเกิดขึ้นมานี่ภัยเกิดขึ้นแล้วนี่ิเลืดเกิดขึ้นแล้วรู้ทันทีทันทีนี่ ทำเกิดขึ้นแล้วสองเห็นกิเลสนะสองเห็นกิเลสแล้วฆ่ากิเลสได้ด้วยเป็นลําดับลาดามาเรื่อยมาตั้งแต่บรรนั้นมีความเปียนสําคัญมากถึงต้องด้ยพินิจพิจารณาถึงวิธีการประกอบความภาคเพียนยากสักตักแต่ว่าทำนะการทตาตักแต่ว่าทําำเฉยจะไม่ค่อยได้ผลต้องทําด้วยสังเกตด้วยทุกสิ่งทุกอย่างสังเกตด้วยดีเรื่องธรรมปุริเจ้านี้ผมนี่กล้าพุริเจ้า เต็มเม็เต็มหน่วยแล้วตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั้งบัณเรียกว่ า, 100าร้อยเปอร์เซ็นศาสดาม่นั่นผู้แล้วสาธุไม่ต้องเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าทำทั้งหลายที่ดิ้ได้เห็นขึ้นประจักษ์ใจนี้พระพุทธเจ้าเป็นยังไงไม่ทูลถาม อ, อ, องค์ศาสดาแท้คืออะไรนั่นไอ้เรื่องรูพระรูพระโฉมของท่านพระสรัีรางขอท่านนั่นมีแตกต่างกันไปดามีเกิดมีแต่มีชาราค้ำค่ามีตายเหมือนกันอันนี้เป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแท้พระพุทธเจ้าแท้คืออันนั้นแหละคืออันผางขึ้นมาเฮ้ยพระพุทธเจ้าตักรู้อย่างนี้หรือนี่แหละคือองค์ศาสดาแท้คือองค์นี้แหละทำแท้คืออันนี้แหละเมื่อเขาเดีเข้าถึงใจแล้วทํากับใจเป็นเดียวกันแล้วนี่แหละพระสงฆ์แท้ก็คือนี่แหละเป็นอันเดียวกันหมดแล้วแล้วก็ประมวลเข้ามาอยู่เฮ้ยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนะมันเป็นแล้วนั่นน่ะเราเคยคิดนี่ที่ไหนเมื่อไร พอมันจ้าขึ้นมามันหายสงสัยทุกอย่างเป็นอันเดียวกันล้วนๆมันก็รู้เป็นพื้นเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพื้นเดียวกับน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลยเราเป็นก็แบบนั้นแล้วจระแบบถามพระุทธเจ้าหาที่ไหนหาอะไรนั่นมันพระจักในนี้นี่แหละผู้ดใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถามคนเริ่มเห็นมาตั้งแต่การปรพูดปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาไปเรื่อยถึงขนาด ขนาดถึงวิมุตหลุดพ้นนี่เห็นดาสดาเต็มองทาก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะทมนี่หมดทางสงสัยผมพูดจริงจโอ้โหไอ้ิีเลศมันปิดบางทรเอาไว้นี่มันก็ไม่ผิดอะไรกับน้ำในบึงในบอ่อใหญ่ๆนะน้ำนั้นเต็มสะเต็มบึงแต่จอกแหนันปกคลุมหุ้มหมอนน้ำไม่ให้หมดไม่มองเห็นน้าเลย โลกมองไปก็เห็นตั้งแต่จอกแตแนแะหก็ว่าน้ํานี่ไม่มีในบึงนั่นท่อจอกแหนม้มปกคลุมไว้หมดน้ําไม่มองไม่เห็นเวลาแวบกลงไปไ ป, ไปเปิดดูน้ำดูทีเอามาตักมาอาบดืม่มดูเป็นยังไงแล้วรสชาติมันเป็นยังไงมันก็รู้ชัชดเจนผู้ที่ไปเปิดเห็นนั่นแหละเป็นผู้ที่จะฝังลึกในธรรมทั้งหลายว่ามีอยู่มีอยู่ใต้กิเลเหมือน้ํามีอยู่ใต้ใต้จอกใต้แหนนั่นแหละเนี่ยเปิดออกทีเนี่ยเอาเปิดออก เวลานี้ความกังวลวุ่นวายทุกกระเบียดว่างั้นเลยมันปกคุมจิตใจปุบชุมทำไว้ไม่ให้มองเห็นเลยนะเอก็ อ, อันนี้ออกแล้วจองแหนออกแล้วเห็นลูกฟังเสียงกยลิ่นรสเครื่องสัมผัสออกแล้วที่สังขารหรือสัญญาออกแล้วออกแล้วปิดบังทําไม่ตลอดเวลาไม่ให้มองเห็นทำมีเตกิเลตมาปิดมาด้วยสัญญาลวงของตัวเองนะปิดตัวเองเวลาเบิก ออกด้วยความภาคเผี่ยนแล้วจะค่อยแจ้งขึ้นมาขาวขึ้นมาขาวขึ้นม า, า, นมาเหมือนที่เขาไปเปิดน้ำจอกแหนะจากบึงแะเปิดออกแล้วถึงจะไอจอกแหนมันจะหุบเข้ามาปิดไว้ตามเดิงประตามแต่ความเชื่อว่าน้ำในบึงนี่มีเขาเชื่อฝังลึกไม่มีถอนนี่แหละผู้เชื่อธรรมที่เรียวกว่ากระแสกระแสผู้เชื่ออาจจะทำเชื่ออย่างนี้ แล้วก็มีจะระเบิกออกไปเบิกออกไปถึงมันมาปิดไว้มองไวเห็นน้ําก็ตามความเชื่อที่ว่าน้ํามีอยู่ในสระนี่มันก็เชื่อฝังลึกนั่นถ้า ม, มีอยู่มรรคผลนิพพานมีอยู่มันก็ฝังลึกอยู่อางนี้นะที่เรียกปิดบังเอาไว้มรรคผลนิพพานไม่เห็นนะีเพราะฉะนั้นจริงเปิดออกเปิดออกด้วยความภาคเพียรของเราเอาให้หนักให้หลวงให้ได้ทรงมรรคทรงผลพระพุทธเจ้าทรงเลิศไปเป็นยังไงบ้างพระสงฆ์สาวกขี่พระองค์พระพุทธเจ้าขี่พระองค์ ทรงทํา ม, มันเลิศเลอพระสงฆ์สาวกีพระองค์ในบรรดาที่เป็นสาวกของพุทธเจ้านี่ได้ร่วนแล้วตั้งแต่เป็นมหาสมุทรมหาสมุทรอันเดียวกันหมดแล้วเลิศเลอสุดยอดสุดยอดเหมือนกันไปหมดแล้วไอเราตั้งหน้าต่างตาที่พฤฤืชปฏิบัติก็เหมือนกับแม่น้ําที่ไหลมาจากสายต่างๆเข้ามาสู่มหาสมุทรการปฏิบัติทํำของตนได้ละเอียดเข้าไปเฉลี่ยก็เรียกว่าใกล้มหาสมุทรคือวิมุติพระนิพานเข้าไปทุกทีทุกที ความเพียนเก้าเข้าเก้าเข้าต่อแล้วก็ถึงมาหาสมุทรไม่ต้องถามถามหาผู้เจ้าหาอะไรนั่นเจา้า น, นี้ไม่มีใครถามกันแหละเป็นแบบเดียวกันสันทิจโกท่นนั้นประกาศป้างขึ้นมาเลยระจากผู้ใดเห็นธรรมู้นั้นเห็นเหล่าทา ก, ก็ขึ้นพร้อมกันเลยนี่แหละการปฏิบัติธรรมเรื่องมรรคผลนิพพานคงเส้นคงวาหนาแน่ น, น, นตลอดไปไม่มีคาว่าบกบางนอกจากไม่มีใครสนใจ ไปเทิดทูนตั้งแต่กิเลสเอากิเลสซึ่งเป็นส่วมเป็นฐานมาพอกหัวใจพอกศีรษะของเราจนไม่มองเห็นตัวคนมีแต่กิเลสทั้งนั้นเท่านั้นเองมันถึงจะไม่เห็นอัติธรรมถ้าผู้ที่มีการความตั้งใจมาพืชปฏิบัติอัตธรรมอยู่ตลอดเวลานี้อย่างไรต้องเป็นผู้จะทรงมรรคทรงผลสวัสดิธรรมตัดไว้ชอบแล้วไม่มีแง่มีงอนใดเลยขอให้ดําเนินตามอัตตามธรร ม, รมอย่าฝ่ายอย่าฝืนไม่ว่าฝ่ายพระวินยัยไม่ว่าฝ่ายธรรม มันเป็นความถูกต้องโดยกันทางนั้นถ้าฝ่าฝืนส่วนใดมาได้นะฝ่าฝืนพระวินัยก็ออกนอกรูนอกทางไปแล้วข้ามหัวพระพุทธเจ้าไปแล้วอย่าหวังความดีถ้าลวงได้ข้ามหัวพระพุทธเจ้าด้วยการข้ามทำข้ามวินัยฝ่าฝืนทำวินัยแล้วเยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าอย่าหวังคนนั้นจะได้เห็นมรรคผลนิพพานถ้ามีความเคารพในธรรมในวินัยแล้วนั่นแหละคือเคารพองค์ศาสราแล้วเดินตามร่องรอยที่ทรงสั่ ส, สอไนไปแล้วด้วยสวดคตธรรม แล้วกล้กไปเข้าแล้วก้าไปทำนั้นอย่างไรก็ต้องเป็นต้องในต้องรู้ไม่เป็นอื่นทำมานี้ไม่เป็นอื่นขอให้กล้าไปทมทำทำต้องไปทำล้วนๆก้าไปาำกิเลสกิเลสก็เป็นกิเลสล้วนๆตลอดไปอย่งที่เคยเห็นมาแล้วนี่แหละพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะ่ะเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกันอยู่นี่ก็ไม่มีงานมีการไรวัดนี้ผมไมให้มีเป็นมาตั้งแต่ต้นเพราะงานเหล่านั้นเป็นงานสร้างความขงังวลวุ่นวาย สั่งสมกิเลส ข, ขึ้นภายในตัวแม้จะสร้างกระต๊อบหลังนี้เสร็จวันนี้ยังไม่เสร็จยังต้องเป็นอารมณ์วันหลังต้องสร้างต่อไปอีกนี่เป็นอารมณ์แล้วแค่ไหมละ่ะเพียงเราสร้างกระต๊อบหลังหนึ่งพอได้อยู่อาศัยภาวนาเท่านั้นมันยังเป็นอารมณ์เมื่อกระต๊อบอย่างไี้แล้วเป็นอารมณ์เท่ากระต๊อบนั่นแหละจงการสร้างกระต๊อบเสร็จแล้วแล้วก็หายกังวลไม่สร้างใหม่อีกต่อไปอารมณ์ก็ไม่มีนั่นอันนี้ถ้าไปสร้างนั้นทางนี้แล้วยุ่งเหยิงวุ่นวายนะ อาวัานึงต้องได้ระมัดระวังสอนหมู่สอนเพื่อนเรื่องการก่อการสร้างนี้เป็นการสั่งสมที่เรศเป็นลำดับลำดาการปฏิบัติธรรมนี้จะจางไปจางไปอารมณ์ของใจนี้จะไปอยู่กับการงานทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องของที่เรศความวุ่นวายหาหนาธรรมไม่มีมาเข้าจินหาความสงบหาไม่ได้พอจะมาเข้าสู่ของหนงบจิดเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วยุ่งไปหมดเลยนี่ไม่ใช่ทางของศาสดาให้พากันปฏิบัติ เดินต้อง ก, ก้มร่งสมาธิภาวนานี่เป็นงานของพระแท้ไม่มีงานอื่นใดเข้ามาเจี่ยนเรียกว่างานของพระงานเพื่อชำระกิเลสงานเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงผู้นั้นแหลเป็นผู้จะทรงมรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสยัยพระวิเจ้า บ, บริพันนั้นวี่วันวี่คืนไม่สำคัญสำคัญที่สวกสัตตธรรมตัดไว้ชอบแล้วเพื่อมรรคผลนิพพานสมบูรณ์แบบแล้วเอาให้ดีตรงนี้นะถ้าลงปฏิบัตินี้ไม่ปล่อยวาง จากหลักธรรมหลักวินัยแล้วสหวัสดธรรมที่แศาสนาเนี้จะผึ่งเลยต้องถึงไม่ไปไหนและไม่เป็นอื่นให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะยาอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลนะยาเห็นโลกเป็นของสําคัญมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งเดิมโลกตื่นมันหาอะไรถังขยะเกิดแจกเก็บตายกองอยู่ในโลกถังขยะนี้ทั้งนั้นนะความทุกข์ความลำบากลำบนอะไรในพานไม่มีอันนี้เต็มไปอยู่ด้วยของสิ่งเหล่านี้อนะันจึงว่าถังขยะผสมปัเสตเต็มไปอยู่ในนั้นหมด ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความยุ่งเหยิ ง, ยงวุ่นวายความดีความดีเต็มอยู่ในเดียวกันแล้วสร้างตัแต่กองทุกข์มาตลอดเวลาจะไม่เรียกถังกยะจะเรียกว่าอะไรนี่แหละถังกยะเรื่องมรรพานไม่มีตั้งแต่หลุดพ้นออกจากใจถึงเท่านั้นเองไม่มีเรื่องความทุกข์ที่จะมีในชใจของพระอรหันต์แม้ไม่ดีไม่สายไม่มีเลยตั้งแต่ขนาดกิเลสซึ่งเป็นตัวสาเหตุให้สร้างทุกข์ขึ้นมาขาดสะบัดออกไปจากใจแล้วทุกข์ไม่มีในใจพระอรหันต์ไม่มีเลย จงกระทั่งนิพานเรียกอนันตะการพอนิพานเที่ยงนั่นแนหะทุกก็ไม่มีกฎอนิจจังทุกขังนิสตาไม่มีนั่นนี่เรียกว่านิพานเที่ยงนอกนั้นมันเป็นทางขยะไปหมดนั่นแหละมันจะเป็นอะไรไปให้พากันตั้งออกตั้งใจนะคุยปฏิวัติเรื่องธาตุเรื่องขันของพระรหันต์นั้นธาตุขันก็เป็นสมมุติธรรมดาเหมือนกับโลกทั่ ว, วไปเขาเก็บไข้ได้ป่วยท่านก็เป็นได้เหมือนกันเก็บท้องป่วยซะ เป็นไปได้ด้วยกันเพราะอันนี้เป็นสมมุติเส ม, มอกันความเจ็บภครจะปวยแล้วแต่ใครจะเป็นแบบไหนแบบไหนในธาตุขานของของพระเจ้าประสงค์ของประชาชนหรือแม้ี่สุดของพระดานเป็นได้ด้วยกันมแมนต่เพียงว่าพระดานท่านท่านไม่สื่อมทราบสิ่งเหล่านี้เจ็บปวดตรงไหนก็รู้ว่าเจ็บปวดแต่ไม่สามารถซึมทราบอีกใจของท่านให้วันไหวหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจได้เลยเท่านั้นเองต่างกันตรงนี้เจ็บตรงไหนมากขานาดไหนก็รู้อยู่ว่ามัน ในจุดเข้ามาที่จิตมันไม่เข้ามาแทรกถึงจิตบางทําให้แทรกก็ไม่แทรกจึงเรียกว่าสมมูกิกับมีมูลสมมูิก็คือขันทุกก็เกิดในขันเนะี่ย ม, มีมติก็คืออิที่บริสุทธิ์แล้วจะเข้ากันได้อย่างไงนี่แหละมันต่างกันที่ตรงนี้เก응เรื่องทุกข์กันทุกเหมือนกันแก่ แ, แ่เหมือนกันตายเหมือนกัน응แต่ไม่มีทุกข์เข้าเคลือบแฝงแล้วซึมซาบไปถึงจิตใจท่านเลยนี่เรียกว่าฤทธิ์ของวาลานเป็นอย่างนั้น เวลานี้เราตั้งหน้าตั้งตา ม, มาเพื่อปฏิบัติศีลธรรมเอาให้จริงอาจางทํามาที่สทสดร้อนรอนมากกว่านี้ผานเท่สดร้อนอยู่ชั่วเอื้อมเราเอื้อมการปฏิบัติของเรานั่นแหละเราปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอะไรอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเอาจนได้นั่นแหละก้าวไม่ถอยก้าวไม่ถอยการเกิดการตายนี้มันเกิดตายนี้ตลอดไปนี่ตั้งกลับตั้งกันเล่านี้มาเกิดนี้ก็มาพักในภพนี้ชาตินี้ต่อไปจะไปเกิดดีตายอีกนะถ้าเราสร้างความดีไม่พอ แล้วก็ต้องไปเกิดไปไตายอีกแต่ความดีของเรามีก็ยังพอได้พักผ่อนหย่อนตัวบ้างนะไม่เหมือนกับคนที่สร้างแต่บาปแต่กรรมหาแจะกองถูกเผาทั้งแดนมนุษย์แล้วไปเผาแดนนรกอริกีอยู่นี่จี่กับอยู่กันหมุนไปเยียนมาวันนี้ไม่รู้จักจบจากสิ้นได้เลยคือคนสร้างแต่บาปแต่กรรมพวกนี้ได้รับความทุกข์ไม่มีวันจืดจางเผาอยู่ตลอดเวลาในถังกระยะใหญ่นี่แหละมันจะไปไหนพอพ้นจากนี้แล้วไม่มี เรื่องทุกข์ทั้งหลายไม่มีในใจของพระรา น, นหน้าหนาท่านแบบหมดกังวลพระรานไม่มีกังวลอืมธรรมชาตินั้นก็สว่างจ้าอยู่ครอบโลกธาตุเอาอะไรมาผ่านนี่แหละเรื่องมิมุติล้วนธรรมธาตุด้วนแล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีสมมุติใดเข้าไปผ่านได้เลยเนี่ยไอยเรื่องต้าหูจงหูยิ่งกายนี่มันเป็นสมมุติมันก็ต้องสัมปัสสัมวันกระรูดเสียงกิเลสสัมปัตสัมพันธ์กัน อยู่พางเพียงอันนี้แสงมันไม่สามารถเข้าไปสู่จิตใจท่านได้นะอ่าจิตใจนั้นเป็นมีมูดหลุดพ้นไปจากแดนทางอาารยิยนิแล้วเจ้าอะไรมาเป็นความถูกไม่มีอ่าก้อยตั้งหน้าต่งางตาปฏิบัติทุกข์กนะ็ทุกข์เถรน่ะทุกข์เพื่อความสุขสุขรงกันทั่งเป็นบรุมัสสุเราทุกข์ประกอบความเพียรนี้กี่ปีอ่ามันทุกข์ขนาดไหนกาหนดปีเดือนได้อยู่นี้นะแต่ความทุกข์ที่ไม่มีความภาคความเพียรไม่ความทุกข์ไม่สดไม่เอาไหนเอาไหนนี่ทุกข์ตลอดไป ไม่มีคําว่าต้นมาปลายมันจะจมอยู่กับกองทุกนี้ตลอดไปเลยแต่ความทุกข์ด้วยความภาคความเพียรเพื่อยกตัวใน้พ้นจากทุกนี้มันจะทุกข์กี่ปีกี่เดือนเอาทุกข์ไป เ, เวลาเราได้ผลจากการประกอบความเพียรของเราอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วถึงนิพพานเที่ยงเอาความสุขวโรมาสูงนี้เที่ยงตลอดเลยแล้วมามาวัดกันที่กับความทุกข์ที่เราประกอบความเพียรประมาณ ก, กี่ปีเนี่ย ความเพียรประมาณกี่ปีเป็นความทุกข์ประมาณสักกี่ปีผลได้จากความเพียร น, นี้ไปเป็นความสุขเป็นบรมสุขถึงนีพผ่านเที่ยงอันนห้นมีน้ำหนักมากกว่ากันเอามาเทียบกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันกับพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเรานำตายไม่ในงจี่พบกี่ชาตินะผู้มีความเพียรมีวันทัดถอนตัวออกได้นะแต่ผู้ตายด้วยความจมกับบาปกับกรรมกับทีเหลือันหานี้ไม่มีวันมีคืนจมยังอยู่อย่างนั้นต้นไม่มีปลายไม่มีตายมา ตั้งกับตั้งกันความทุกข์ตั้งกับตั้งกันทับสนปลุ่มเบกันมาอย่างนี้ให้อวัยพิจารณาในตัวเองทุกคนทุกคนนะผมก็สงสารหมู่เพื่อนมนะันยิ่งจวนจะตายเท่าไหร่นี้ยิ่งสงสารมากนะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะมันต้องเป็นเองในใจนะประชาชนยอดรวมสงสารมากทีเดียวแต่ก่อนก็ไม่ก็เป็นพอแต่มาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็มาคิดถึงเรื่องใครจะแนะนําตังสอนพวกนี้ล่ะนี่อันหนึ่งน ะ, ะเมื่อเป็นอย่างนั้นธรรมชาี่เราเทศสอนโลกยิงมี เน้นหนักเน้นหนักไปเรื่อยๆนะเพื่อให้เห็นเหตุเห็นผลหเห็นความตัดความจริงพอได้สาระประโยชน์บ้างในการฟังเทศฟังตามจากครูจากอาจารย์แล้วแท่อย่างที่ผมเทศนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีใครเทศด้วยนะพูดจริงๆไม่โอ้ไม่อวดพูดตามหลักความจริงเทศตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้นเวลาเทศสอนโล ก, กเทศแบ่งรับแบ่งสู้แกงหม้อใหญ่แล้วแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งวันไลที่จะเด็ดเผ็ดร้อนบางเป็นบางระยะบางการบางข่าวมีบ้าง หากไม่ให้หมดมันแบ่งรับแบบสู้กับพี่เลศอะรไตามภาษีภาษาองเขาที่จะรับผลประโยชน์มากน้อยเพียงไลก็สอนลงตามภูมมตามภูมถ้าผู้ที่มีความหนักแน่นขึ้นไปกว่านั้นธรรมะก็หนักออกมาเองไม่ยากนะถ้ายิ่งไปแจงมอาเล็กแล้วจับพุ่งพุ่งพุ่ ง, งยิ่งแจงมอาขี้ลีวลพุ่งเลยนั่นเพราะมันรับกันได้ได้ดีหางรับกันทันทีทันทีแจงมาจ้าขิ้กับธรรมชาติ ทำที่จะสงคราะโลกโดยสมุนอยู่แล้วภายในใจนี้ออกทันทีเลยอือันไหนที่ไปที่ไหนก็มองดูก็เห็นแต่ซากมนุษย์เห็นแต่เศษมนุษย์เต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนเห็นแต่ก่เลสห้อมล้อมจุดจนมองหาตัวไม่เห็นก็ทำมากก็อ่อนใจเหมือนกันนะเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะโลกชาวพุทธเรานี่แหละเมืองไทยของเราเนี่ยมองไปที่ไหนไม่มองเห็นคนมองเห็นตแต่กิเลส ความดีดความดิ้นความพุ่งเพ้อเหวีกิริยาท่าทางการอยู่การกินการใช้การสอยเนื้อการนุ่งหม่มแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอะไรหี่หรูหลาฟูฟ้าเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียทั้งหมดมองหาตัวไม่เห็นเวลานี้นานๆถึงจะแยบทีหนึ่งเราก็ดีคือมันดูไม่ได้ถ้าพูดแบบโลกนะแต่ทําไม่มีอะไรนะมันก็นเหมือนนังว่าคันฟันบ้างเนี่ยเราดูเห็นอยู่แต่มาจํา ต่อหน้าต่อตานี่ทำไมจะไม่เตือนกันบ้างดูกันบ้างผู้พ่อที่จะรับสติต่าง ม, มีอยู่เนี่ยมันก็ต้องแยบออกบ้างเนี่ยการอยู่การจริงการสร้างสอยนิ่เทศอยู่เรื่อยๆเนี่ยแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวการพุงเฟ้อเหื่อมดื่มเนื้อดื่มตั ว, ตวอันนี้นานๆจะแยบออกทีหนึง่งเเพราะเวลานี้มันดูแลพิลึกกือกือแล้วเกินเช่นเมืองไทยเหล่านี้มันแล้วก็เป็นเมืองพูดมาแล้วปู่หญ้าตายายพาก ดําเนินมาด้วยความรับรื่นดีงามสงบงดงามตาทุกแง่งการแต่งเนื้อแต่งตัวก็สวยงามดูแล้วชุ่มตาชุ่มใจมันเป็นที่น่าเคารพเรื่อมใสและเป็นที่น่าเมตตาสงสารนะแต่เวลามันเปลี่ยนแปลงมาจากโลกภายนอกอสิโลกเขาไม่มีศาสนาเขาแต่งตัวอะไรอะไรเขาทําอะไรมาแล้วก็ความมักความวามับเพราะเราไม่มีหลักอยู่แล้วเี่ยพอความวามักเขามาหาเรามันก็เป็นลิงทั้งตัวเป็นลิงทั้งตัวไม่มีคนติดอยู่เลยแล้วดูแล้วมันก็ดูไม่ได้สิ บางทีก็แยบออกบ้างให้รู้เนื้อรู้ตัวถ้าไม่รู้ก็จําเป็นกรรมของสัตว์เราเทศเราไม่ได้เทศเพื่อจะเอาผลประโยชน์จากผู้ใดนี่นะเทศด้วยความเมตตาสงสารจะมาว่าเราผิดได้งไงก็สอนให้ถูกมันจะผิดไปได้อย่างไรไอ้ตัวที่ไม่ยอมรับนั่นแหละตัวมันผิดมันผิดอยู่ที่นั่นแล้วกองทุกข์ก็อยู่กับผู้ที่ไม่ยอมรับนั่นแหละมันจะไปที่ไหนนี่แหละเรื่องสอนโลกมันลำํำบากนี่ยิ่งจวนจะตายเท่าไหร่ยิ่งสงสารมากนะเฉพาะอย่างยิ่งวงกรรมฐ า, านเหล่านี้นะ มันจะค่อยๆด่อยดวนเข้ามาแล้วเกาะเดียวท่านี้นาะเวลานี้พูดให้เต็มปากนี่เลยก็ที่เป็นที่สุกหัวนอนได้ของประชาชนญาตโยมทั้งหลายเป็นที่ตายใจอบอุ่นนะเขเขาเคารพนับถือมีเกอบมีดอนไม่งั้นจมเป็นทะเลหลวงไปหมดเลยแล้วศาสนาก็หมดไปพร้อมกันเรื่องปริยัติเรียนมากี่กัมภีร์ก็เรียนเถอะก็เป็นตัวหนังสือเป็นกระดาษจะว่าไงไม่ใช่มรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจริงๆมันอยู่กับผู้ปฏิบัติตาม เรียนมาแล้วไม่ปฏิบตัติมันก็เป็นหนอนแทกกระดาษเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละมันจะกลายเป็นหนอนแทกกระดาษอยู่ตามบ้านตําเนือนไม่มีคำภีร์ไม่หมดมาอย่างนะ้นอย่าว่าแต่ในวัดในว า, ใ น, วาในบ้านคนมันก็มีแต่มันไม่สนใจปฏิบตัติมันก็ทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเหมือนกระดาษเศษเนี่ยเพราะเจ้าของมันหมดค่าขําราคาแล้วที่จะเอาพระธรรมมาปฏิบตัติเพื่อเป็นสาระแกะ่ตนมันไม่มีมันก็เลยกลายเป็นเรื่อง มัสัตวไปหมดทั้งโลกนี่แหละทั้งๆ ท, ที่มีศาสนามันก็มีแต่ดูความผีเวลาในหัวใจและความประพฤติของคนไม่เหม่อมันก็เลยเร็วไปเร็วไปเนี่ยศาสนาพุทมันจะสิ่งจะสูต ร, ตรงนั้นหรือบางทีอดวิศวไม่ได้นะมันจึงจะเพอิดเพลินเกินเนื้อเกินตัวแล้วเกินที่วิ่งไปตามกิเลสไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่นะ่ะมันอดไม่ได้นี่เราชวนตายเทลายิ่งมีความเมตตาสงสารมากบางทีธรรมะ ก, ก็ออกเด็กไปเผ็ดร้อนๆบ้างเหมือ น, อนกันอืม เพราะมันคันฟันก็เห็นอยู่ตลอดเวลาปิดได้หรือปิดทำนะกิเลสมันจะออกแบบไหนรู้หมดต้องทำไม่มีความว่าชินกับกิเลสนะมันจะออกแบบไหนแบบไหนเป่นแบบที่เคยฟาดหัวเรามาจนจมกับมันมากต่อมากแล้วคราวนี้ได้เห็นกันแล้วนั่นมันขาดตะบันดอกใจแล้วมันไปอยู่ในหัวใจใดที่ยาใดมันก็รู้หมดแล้วสินะมันจะปิดได้หรือ ทำดูกิเลสดูง่ายง่ายนิดเดียวขอให้ขอให้ใ ห, ใ, หให้ทํามีในใจเถิดดูง่ายง่ายมากนะถ้าทํามีในใจเขากับเราปเป็นเดียวกันดําปีเหมือนหมีทั้งตัวนะ่ะหมีดำมันไม่มีใครขาวไม่มีใครสว่างจะมองเห็นดีชั่วได้ยังไงเ <m> ขากับเราก็เห <m> มือนกันเนี่ยก็เลยงมงงเอาเกาหมักไปตามๆกันเลยที่นี่สาระแกนสารไม่มีม Wire. แล้วสุดท้ายก็คว้าน้าเหลวควําน้ำเหลวเลกเดิดมานี่ก็ไม่ทราบเกิดมาจากอะไรก็ไม่รู้ กรรมอะไรกรรมดีกรรมชั่วก็ไม่เคยสนใจกับกรรมว่าดิ้นกันอยู่อย่างนี้พอถึงลมหายใจขาดขาดไปแล้วตายไปที่ไหนไมันก็นไม่รู้อีกเพราะมันไม่มีหลักมีเกณฑ์ภายใน จ, ใจิตใจมาเกิดก็ไม่มีหลักมาในความรู้สึกตัวเองแต่หลักที่กรรมพาให้เกิดนั้นแน่นอนพาให้เกิดให้เกิดมาแล้วก็อยู่ไปอย่างนี้แหละเขาเหมือน เ, เราเราเหมือนเขาออืคว้าน้ําเหลวคว้าน้ําเหลวอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีไม่ใช่ของดีตามพิเรนตทั้งนั้นนะ ของดีตามว่าตามธรรมนี้ไม่มีนีน่ความแล้วก็ควาานําเหลียวไปแล้วพอรวมหายใจขาดฉะนั้นอะไรล่ะอเป็นสาระของเราก็มีแต่กระดูกของเรานี่มันก็ไม่เห็นได้เรื่องอะไรใจนั้นมีอะไรบ้างล่ะทีน่นี่มันก็มีแต่เรื่องที่เอียดตัญหาเรื่องบาปเรืงกรรมแต่มหัวใจพัดจมเราอีบนั่นเนี่ยตายคนไม่มีหลักมันก็มีแต่เรื่องไฟในะโลกเขาทั้งเป็นทั้งตายไป น, นี่ะเนี่ย คนมีหลักนี้ไม่เป็นไรขอให้ทําหลักใจให้ดีศีลธรรมอย่าปล่อยอย่าวางอันเป็นคารวะยาโยมก็าตามขอให้ระลึกถึงศีลนึงธรรมอันนี้คือสาระอันสําคัญพึ่งเป็นพึ่งตายกับหัวใจได้อย่าปล่อยอย่าวางชงวันเงินทองเขาของอะไรจะมีมากขนาดนั้นนั้นเป็นสิงภายนอกพึ่งไม่ได้พึ่งได้ตั้งแต่เวลามีชีวิตอยู่ที่เท่านั้นพอชีวิตถามไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเป็นความหมายอันดีงามเลยเป็นพอที่จะตายไปเลยนอกจาก บุญหรือบาปนี่ติดแนบของหัวใจรีบสร้างบุญก็สร้างเสียที่บัตรในบัตรนี่ตายอันนั้นทิ้งปัว้วเราไปแล้วเรื่องบุญกับกับใจนี่ติดกันไปเลยจริงนะนี่คือสาระของใจแต่มันไม่ค่อยสนใจจะสร้างคนเราสร้างัแต่บาปแต่กรรมก็บาปกรรมมันก็มาพันหัวใจลงนรกอีกลงแล้วอีกนี่แหละเปนที่น่าทุเรศ น, นะอืออุ้ยทุเรศจริงๆนะมองดูทิฏยาท่าทาง ทั้งๆที่เมืองไทยเราเป็นชาวพูดทินิยาแห่งการแสดงออกของพูดไม่ค่อยมีเลยและไม่มีนั่นมันมืดขนาดนั้นจะให้ว่าอย่างไรับพูดอย่างนี้ไอ้กิเลสมันก็พองตัวขึ้นมาอีกโต้โต่อต้านทานเขายินนะเนี่ยมันไม่ใช่ของดีนะมันจะเพิ่มกิเลสเขาไอีกเมื่อได้ฟังทำแทนที่จะไปทาระตัวเองมันไม่ยอมทาระนะเอาไปพอกหัวตัวเองเขาอยู่เป็นฟืนไฟเขาไปอยู่แล้วท่านผู้เทศมัใชค่คนโง่จอมปราดทั้งหลายทั้นเทศมาพูดกับเจาภาษาพวกท่าน สมควรแท่ขนาดไหนทั้งแทมั้ยสมควรัวรก็ปล่อยทิ้งเสียจะทําังไงมันตําของสัตว์เมื่อสอนไม่เอาแล้วก็ปล่อยทิ้งเป็นกรรมของสัตว์ไปอืถ้าพอสอนได้ทั้งก็สอนเอาสอนเอานี่แหละเรื่องโลกเวลานี้มันรู้สึกว่าหาหลักหาเจมาได้โลกชาวพูดเราอเป็นเรื่องกิเลสไปทั้งหดสสมดเป็นทะเลแห่งกิเลสทั่วเมืองไทยแล้วนะเวลานี้นะเป็นทะเลก็ ของกิเลสไปฉะนั้นไม่ให้ทะเลของธรรมนะเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติเปลี่ยนทะเลของกิเลสในหะัวใจเราให้เป็นทะเลของธรรมขึ้นไหมก็ได้คนเราเปลี่ยนให้เป็นธรรมขึ้นมาพลิกตัวให้เสะแสวงหาคุณงามความดีรักษาศีลรักษาธรรมเดินจนกงกรมนั่งสพิภาวนาให้ชานทำบุญเอาไปนี่คือสาระของใจที่พึ่งของใจอยู่ที่ตรงในไม่ได้อยู่ที่ตึกรามบ้านช่องถนนน้องทางสมบัติเงินทองมีเป็นล้านๆอะไรเลย อันนั้นมีเพียงไว้ขี้เล็ดมันหลอกตาเอามาประดับหน้าร้านให้ภูมิใจหนีไม่มีพวกภูมิใจนี่ก็กลายเป็นตัวเย่อหยิ่งจองหองคลองตัวเขาไปว่าตัวมั่งตังมีนั้นเอาขิ้เล็มาประดับร้านเฮ้อไม่ได้ทําประดับร้านนะอีิเล็ดมันมาหลอกตื่นไปนผู้ที่มีทําประดับร้านจะทุกข์จะดวงก็ตามคนนั้นมีหลักเกณฑ์เป็นเศรษฐีก็มีหลักเกณฑ์ถ้ามีทํามในใจถ้าไม่มีทํามในใจยังไงก็ตายชิ้กระเป๋านะจะเอา สาระไม่ได้เลยนะจากสิ่งเหล่านั้นตายกองกันอย่างนี้มีอะไรใครเห็นเอาสมบัติเป็นทองเหล่านี้ไปเผากันไม่เคยเห็นแบบนี้นน ะ, ะตายแล้วก็มีแต่โลง์ผีทั้นั้นนะไปแล้วก็ไฟเผาก็าไปทานเผาก็าไปกันแล้วพูดถึงเกิดมาถุกท้ายปายหลังเป็นลูกเป็นหลานเอารับมรดกกันไปสืบพ่อกันไปห่วงกันไปแล้วเป็นบ้ากันไ ป, ไปกับสิ่งของนั้นอีกไม่มีสิ้นสุดอีกตายไปก็แบบเดียวกันอีกหาที่สรินสูดยุติไม่ได้ ถ้าไม่มีทำภายในใจแล้วหาที่ยุติไม่ได้นะพากันตั้งอกตั้งใจสำหรับพระปฏิบัติเราไม่หวังอะไรนะวินทบาทเขาเต็มบาทเต็มบาทมาอย่างที่เห็นนีู่แล้วจะกินให้ตายก็ตายแต่อัดทำของเราเป็นยังไงบ้างกินมากกินน้อยเป็นยังไงให้ดูการกินหนึ่งของด้วยนะมันไม่ใช่ว่ากินได้จะเถยะมีอาหารมาร์คามากๆเป็นบ้า ก, กับอาหารนี่ก็เป็นเป็นบ้าอีกชนิดหนึ่งทําเลยแห้งผากแห้งปากอะไรเป็นเรื่องของเขาการทํามูลในฐานเขาหามาฐานเป็นบุญของเขา เราฉันด้วยความรู้จักประมาณเป็นธรรมของเราเป็นเรื่องของของเราเป็นธรรมของเราเป็นความฉลาดแหลมคมของเรานี่ถ้าเราเผลอไปเป็นบ้ากับสิ่งของนั้นเราก็จมไปอีกแล้วนะจ้องคิดอ่านแต่จ้องให้ดีทุกคนทุกคนนะการปฏิบัติธรรมต้องจริงต้องจังอย่าเลาะเลาะแหลแหลนะพระเนรวัด น, นี้ไม่ได้นะไม่เลาะเลาะแหล่เช่นอย่างผมไม่อยู่แล้วแหวกแนวไปที่นั่นแวแวกแนวไปนี้มาผมไม่ได้ถามนะ พมมองเห็นแล้วไล่หนีทันทีทันทีเลยใครจะแบ่งแนวไปไหนไปเพราะผมไม่มีเวลาที่จะสอดสองมองดูพา้าเนรมาจุ้นจุ้นอย่างจ้ามาแล้วนะยิ่งหนาแน่นเข้ามาทุกวันทุกวันมามากเท่าไหรยิ่งทําแล้วเธออกผมจะแตกนะที่ปกครองหมู่เพื่อนเนี่ยให้พากันจําทุกคนทำที่สอนวันนี้สอนเพื่อหัวใจของผู้มาปฏิบัติให้ตั้งใจใจาไปคืยปฏิบัติให้เป็นสี่ทีมตรนแก ต, ต, ตัวของเราเองนี่แหละเป็นความดีความชอบธรรม มันนี่การเทศนาว่าการก็รู้สึกเหนื่อยแล้วเอาละขอความสวบดิ์จะมีแก่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโดยทั่วกันเธอเหนื่อยเลยเว้ยด๋อยด๋อยด๋อยเกือบหนึั่กีนาทีอ๋เหนื่อยชั่วโมงสี่นาท well. ีได้แน่ได้เท่านั้นนะครับโอ้เนึ่งว่ามากกว่านั้นนะนี่ละครเรื่องเป็นยั้นงยังชั่วโมงสี่นาทีอย่างนี้กําลังเทศไปเทศที่ไหนเหมือนกันนะ คนเหี้ ย, ยข้าได้เรียงเท่านั้นแล้วมีอะไรอีกอ๋เอเคนทำไมมันมาปวดนี่อยู่มาหยุดนั่นนี่ตรงนี้วันนี้รู้สึกปวดๆนี่